นักมูตัจจะเขาวัตุอะระหตมมาสมุทธะนักมตัจสะวัตอะระหตมมาสมุทธะนักมตัจะาวตอะระหตมมาสมุทธะ สีเรนสุขะติงยันติสีเรนโูภาสัมปธาสีเรนนิพุติยันติสัตมังสีรังสุทเยพิอ่าพวกพุทธบริษาทั้งหลายมีทั้ง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 นี่แค่นั่นพุทธบริษัทบางกลุ่มบางเหล่าก็ยังปล่อยให้วันคืนมันร่วงไปร่วงไปไม่รู้จักว่าเราทำอะไรกันอยู่ในวันนี้ในวันคงนี้ป ร, รืนนี้หรือวันที่มันล่วงมาแล้วนะั่นโดยให้มีสติกํหนดการปล่อยให้วันคืนมันร่วงไปร่วงไปว่า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 อย่างไรอันนี้ก็ไม่้องสนใจมันล่ะว่ามันรอบอยู่วันอาทิต์วันจันทร์วันคันวันพุธวันประหัสวันสุกรวันเสาร์จะตั้งต้นวันไหนก็ได้อืจะตั้งต้นแต่วันจันทร์ไปก็ได้จะตั้งต้นแต่วันศุกร์ไปก็ได้คือมันนับรอบไปรอบไปเท่านั้นแหละมันจะมารอบปีหนึ่งติดสองเดือนมันเป็นปีหนึ่งถนัดจะตั้งแต่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าวันผิดสมมูิเทาอื ถึงดูปีเช่นนี้การที่ร่วงมาที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันมานี่กเดีกว่าจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่มวดมีความสุขมีความสบายเพราะมีศีลธรรมสมัยอาจจะมายังเป็นเด็ก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 บ้านเมืองของเรานั่นอยู่เย็นเป็นสุขเพราะศีลธรรมเพราะการประพฤติกายประพฤติวาจาประพฤติใจดีทุกคนรวมกลุ่มกันถ้า่าคนเราไม่มีความซื่อสัตย์ดูมัตมนตลอดเมื่อุวันเนี่ยเราก็คงจะเห็นวนะ่าเดียวกันก่อทะเลาะกันพ่อแม่อันเดียวกันก่อทะเลาะกั น, ก น, ก น, รกนประเทศเดียวกันก่อทะเลาะกันนี่เพราะความหลง อันนี้ไม่จะให้โทษใครเทงนั้นแหลายความหลงของคนเราเท่านั้นแหละขี่กันน้องกันกอดตีกันรบกันฆ่ากันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้นี่ก็เพราะอะไรมันเข้าใจผิดคนจะเข้าใจผิดก็เพราะเรียกว่าไม่คำหนึงถึงสี่เราทำนี่อืมทีนั้นพระบ ร, รมครูของเราท่านจึงตรัสว่าเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่คือเป็นพุทธศาส เือเป็นาศาสตร์อันหนึ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าศาสตร์ทั้งหลายไอาศาสตร์ที่พวกเราทั้งหลายเรียนมาในโลกนี้กลุ่มในชนในโลกเหล่านี้จนะเป็นถึงปิญญาจบเพราะตอร์อะไรก็ตามทีเถอะอันนี้เป็นาศาสตร์ที่ไม่จบเป็นาศาสตร์ที่ไม่สิ้นสุดเป็นาศาสตร์ที่ต่อตายเป็นาศาสตร์ที่มีความอยากเป็นาศาสตร์ที่มีความยึดเป็นาศาสตร์ที่ประกอบทุกไหว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 เป็นศาสตร์ที่มีกฎเกณฑ์อันแน่นอนเป็นความรู้ซึ่งออกมาจากปัญญาอันบริสุทธิ์จึงเป็นของแน่นอนทันจริงว่าเป็นสัจธรรมแต่ก็มีคนบางกลุ่มเป็นกลุ่มนั่นก็เรียกว่าทําดีอืได้ดีไม่แน่นอนพร่อว่าฉันทําดีอยู่ทำไมไม่มได้ดี เอทำชั่วได้ดีกว่ามีมีเยอะแยะไปทำดีแต่ชั่วก็เยอะอย่างนี้อันนี้ก็จริงแต่ว่ามันจริงเป็นจัตเซว่าความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกอืมเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าเห็นต้องเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงและพุทธศาสนานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอืม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 ก็มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้คนเราก็ถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็มีความน้อยใจอพระองค์สมเด็จประสมมาสัมพุทธเจะไม่มีทางที่จะน้อยใจแหละถ้ามันเป็นเช่นนี้บันนี้เราไม่กระทําอย่างนี้มันมีโทษอย่างนั้นท่านมันเป็นเพราะอะไรท่นานโยนให้กรรมซนะมัน เ, เ, เป็นเพราะกรรมวันนี้เราไม่ได้ทำก็ทําเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้เราไม่ได้ทำโง่ทำมือปอดไปนั่นมันทำเราไม่จะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราก็คลุมมันลงไปซะไอ้สิ่งทัง้องไม่มีเหตุมันไม่เกิดทำมันเกิดเพราะเหตุอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองนิดชีวิตของเรากราพรื่นอย่างนั้นจริงเชื่อหาคนที่เชื่อในทางคนเตาศาสนานี่มันยาก อย่างอัตมาพาญาติโยมมาพาสานุสิดมาสร้างวัดป่าเนี่ยได้เป็นเวลานา น, านประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วทุกคนก็คงจะ ร, รู้สภาพที่วัดน้องปะพงมันเป็นยังไงมานะเป็นมาที่ผ่านทนอะไรมาเนี่ยทุกสิ่งทุกประการอดทนก็เพราะว่า ม, มีความเห็นจริงแน่นอนไม่กลัวอืม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 ที่เขาว่าเราไม่ดีนั่นมันไม่ดีที่ตรงไหนเนี่ย <Yeah. S 1> ที่ตรงไหนมันไม่ดีมีไหม mm. ถ้าเห็นว่าตรงนั้นมันไม่ดีแล้วแล้วก็เลิกมันเสีย <Yeah. S 1> อย่าไปโทษคนอื่นครับถ้าเห็นว่าตรงนั้นมันดีอยู่ mm. เขาว่าไม่ดีก็หายเขาจะ mm. เขาพูดไม่ถูกรับเรามันไม่ได้ถูกตรงนั้นอ่ะเออ ให้เราเชื่อตัวของเราอย่างนี้เขาว่าเราดีอย่าไปเพลินกับเขาเขาว่าเราไม่ดีอย่าไปทูกกับเขาอันนั้นเป็นเป็นเรื่องของคนเขาพูดไอ้เรื่องความจริงมันอยู่กับเราเราทําอย่างนั้นจริงไหมเราก็ทําอย่างนั้นจริงไหมถ้าเราทําอย่างนั้นจริงเขาพูดเมื่อก็มันก็อนเขาพูดมันก็อถูกความเขาแล้ว ถ้าถูกความเขาแล้วกยจะไปโทษเขาเลยมันถูกแล้วก็ให้เขาจ้ะแต่เขาว่าเราทําอย่างนั้นเราไม่ทําแบบเขาก็พูดผิดก็คิดก็ให้เขาเอาจ้ะเขาพูดไม่ถูกเราไปเอาเลยกับเขาแล้วอย่างนี้เราไม่มีทางผิดละจิตใจเราก็ปลื้มใจอยู่ในการไปรปฏิบัติของเราอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่ท่านเรียกว่าสีเลนะสุกัดิงยันติสีเลนะโคคะสัมปทาสีเลนะนี่พุทิงยันติ ตัดสมาสีรังนิสวรเยให้เราคํานึงดูสวารอ่าสินห้าประการเนี่ยมันเป็นศินของมนุษย์แท้ๆทุกคนเราเป็นคารวะตัวดีในกลุ่มพุทธบริษทัทเนี่ย <c oughs> เคยตั้งใจไหมว่าเราจะพยายามรักษาสินห้าให้สมบูรณ์เคยมีไหม <c oughs> มีใครเคยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยให้เราคิดอย่างเนี่ยอันนี้คือความดีคือความจริงบางคนอาจจะตอบว่าผมทําไม่ได้ครับ โลกเขาพาจำอย่างนั้นโลกเขาพาเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นไปนตามโลกเขาเนี่ยทุกกลม่มจะมาตามพิจารณาแล้วหมาทางมีความสุขนั่นน่ะไม่ค่อยมีค่อยสนใจนอกจากคนแก่ๆเท่าเท่าเคขะขะอันนี้พูดไม่เรื่องกับมันเป็นคนโบราณจี่สมัครรักษาสีลห้าคนสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรจะแล้วละ่ะอย่างนี้ดฉะนั้นบ้านเมืองของเราจึงมีความเดือดร้อนขึ้น อย่างไอ้ท่อนไฟ่านไฟเนี่ยเราเข้าใจว่ามันไม่ร้อนแต่มันร้อนอยู่ถ้าเราไปจับข้ามันจะร้อนหรือมันจะเย็นมันก็ร้อนอย่างเท่ามันนั่นแหละเพราะทว่ามันไม่ร้อนเน่ยพอเราเข้าใจว่ามันไม่ร้อนแต่ความจริงเน่ยมันร้อนอยู่อย่างนั้นประชาชนเราทนายจึงเือดร้อนทุกประการทุกวันนี่ดูเหอะดูครูบาอาจารย์กําลูกศิษย์ ดูพ่อแม่กับลูกเ mm. จ้านายกับราษฎรทวันเนี่ยไม่ค่อยไปด้วยกันเนอกเพราะอะไรกันตัวไม่รู้เพราะมันขาดสีรธรรมนี่สีเรนะสุขกัจริงยันติมันไม่มีความสุข mm. เพราะศีล น, นี่เองอื mm. ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความสุจริตอันนี้อม mm. ทุกคนเป็นอย่างนี้มันก็ร้อนถ้าร้อนมันก็เป็นไฟ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 ในสายตาสายใจมองดูในกลุ่มชนน่ไม่เคยคิดว่าในกลุ่มนี้ตั้งร้อยคนพันคนจะ <c oughs> จะพยายามรักษาธรรมะอันนี้ให้ดีแท้จริงเนี่ยสักสี่ห้าคนยิ่งเป็นในชุมนุมชนใหญ่ๆนะไปเทศเคือเทีเทยจะเงี้ยไม่ได้ยินเนาะไม่ได้ยินฉะนั้นอาตมาจึงไม่เคยไปในกลุ่มชนใหญ่ๆไม่อยากจะไปไปทํามันไม่เกิดประโยชน์ ไปรบพระก็เทศโยมก็คุยกันวุ่นวายสารพัดอย่างไอ้คนกินเหล้าก็กินกันคนเล่นอะไรก็เล่นกันต่างๆ น, า น, านาีน่ยนะแต่ทำไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าจะไปทำเป็นอะไรมันเสียเวลาเราเ อ, อีกไม่กี่วันแล้วก็จะตายเะอะมันจะไปเล่นกนัคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่างนี้นี่ฉะนั้นไปที่ไหนญาติโยมคงจะรู้สึกว่าอืม อาตมามันเป็นพระยังไงก็ไม่รู้แต่เขามานีมนก็น่าไปนะไปโปรดอีฉันด้วยไปโปรดเราไปเดีมยวไม่ใช่ไปโปรดจะเอาเราไปโปรดเช่นไกลับมาไม่มีรถมันจะมีกำไรไม่ขาดทุนทั้งนั้ น, อ, นอย่างในกลุ่มชนงูหนึ่งไทบางคนสำวัดนุ่งผ้าโพลก็มีความดีใจ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 อาจมาจึงยกเอามาอยู่ในกลุ่ม เ, เล็กๆพูดกันใครที่มีศรัทธากข้ามาพูดกันว่าการพูดการดูเรื่องง่ายๆในกลุ่มหนึ่งสั่งพันคนนะเรามีคนเป็นคนทั้งห้าจุดคนบางยัางพูมตัวมันจะแล้วนี่มันเป็นไปอย่างนี้ไม่มีทางที่จะมั น, นดาเนินไปได้อย่างนี้เมื่อเราทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเราทําไปทําไปดูผลงานแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วจะมีใจทํางานหรือเปล่าแต่ไม่รู้นี่ ไม่ใช่จทางงานทางพ่อเรามันยังโง่อยู่ยังไม่ฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าเช่นเราไปไปทํานาสิวันนี้ดํานาไปเหะดําไปกระทังวันก็ทันทึนดำไปสามวันสีวันนี่มีคนกลุ่มหนึ่งมาถอนไปตามหลังอ่ะวันนี้เําดำไปพวกนี้มันก็มาถอนพิ่งไปเรื่อยเรื่อยใครจะทําไงเนี่ยพวกนี้จะดําต่อไปอีกเขาก็มาถอนอีกเรื่อยเรื่อยจะทำไง มันเกิดประโยชน์หรือเปล่าอย่างนี้เรามองดูข้างหลังแล้มันถอนทิ้งหมดแลจะทําไปอะไรทําทั้งหลายเรียกว่าทพพําไ ม, ทไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าต้างทำไมต้องทำแล้วมันเกิดประโยชน์อันนี้คือมันการนั่นแหละีเสียนนะ่ะสุขกจริงยันติมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีสุขอย่างเนี้ยถ้าจะพูดที่มีศีลมีธรรมนี่กลัวกลัวจ้ะกลัวอย่างนี้เป็นต้น ในกลุ่มทั้งหลายมันหันหน้าเขาอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นภูมิินสินธรรมทุกวันนี้ก่อเป็นของอยู่ในยากเป็นของอยู่ในยากกนบากของกันเราทั้งหลายผมว่ากันฉันนั้นทุกวันนี้มันเปลี่ยนอย่างนั้นถ้าว่ามีใครมีบุญบา ร, รมีจริงๆมีศรัทธาจริงๆ จ, จริงจะมีความคิดจิ่งจะมีปัญญาปรีกตัวออกมาปฏิบัติธรรมะได้ดีที่สุดแก่นี้มันเป็นไปอย่างนั้น สีนนาโพกัสัมปทาโพคะทางหลายของเรานั่นมันเกิดมาจากสีนโพคะสมบัติทางหลายจากขู่สมบัติโสตสมบัติทานสมบัติชิวหาสมบัติอืมกายสมบัติมโนสมบัติสมบัติทางหลายที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นสมบัติทั่งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสมบัติทางหลายเรานี่ไม่บริบูรณ์จ้ะ มีแขนเสียเสมีตาเสียมีหูเสียอวัยวะอะไรเสียเป็นจะไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคือสินไม่บ้นโคะในสินในนี้มันเป็นซะอย่างนี้เรามองเห็นง่ายท้งตาเราก็มองเห็นทางใจเราก็พิจารณาเห็นได้อย่างนี้มันเป็นซะอย่างนั้นโคละสัมปาาทาอืมโคะทั้งหลายเหล่านี้เราจะมองเห็นแต่ของทางนอก เห็นแต่สมบัติเงินทองต่างๆ ต, ตาเรานี่ไม่มองเห็นหูเรานี่ไม่มองเห็นจมูกเรานี่ไม่มองเห็นกายเรานี่เราไม่มองกันดูมันเป็นยังไงอวัยวะ ท, ทั้งหลายเรานี่ไม่สมบูรณ์สมบัติภายนอกจะเกิดมาจากไหนจากมาจากอะไรควรรักษาตัวเราเล้ยงในเวลานี้อย่างตาเราเนี่น่ะอืมอย่างหูเราเนี่น่ะอย่างแขนแนั้นเนี่ย ควรจะรักษาแล้วเนี่ยอืยังยังแขนเนี่ยเขาจะมาซื้อเราสักหลายหมื่นขายไงเขาไม่ตัดแต่เขาได้ไห ม, มนี่ของตัวเรานี่อาไยาวชนี่ไอ้รูป ก, กระตาเราเนี่ยใครมาควัอกออกนะลูกหนึ่งหลายหมื่นเอาไหมเนี่ยอื ม, มันเป็นยังไงมันมีคุณค่าอย่างไรที่มันสมบูรณ์บริวรุนพระเดวโพค่ะคือสินอันนี้อันนี้เราไม่คิดอย่างนั้น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 ถามเจ้าของน่วยว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างเราทำอะไรกันอยู่เราอยู่ในความประมาทหรือเปล่าหรืออยูน่ในความเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรในความคิดคนพริจารณาอย่างนี้ถ้าเราเห็นจะช่วยแก้ไขเจ้าของเองอย่าไปแก้ไขคนอื่นให้มากแก้ไขตัวเราเองซสก่อนถ้าเราแก้ไขตัวเราเองไม่ได้ไปแก้ไขคนอื่นมันก็แก้ไม่ได้ ถ้าเราแก้ไขตัวเราเองไปแก้ไขคนอื่นเขาไม่แก้ตามก็ช่างเขาตัวเราเป็นปกติอยู่แล้วไม่มีคํามเสีหายอะไรที่พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนี้ฉะนั้นศีล น, นี้ท่านจริงดีกว่ามันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์ศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายทั้งปวงอย่างรวมหายใจมันเป็นพ่อแม่ของอวัยวะทางร่างกายถ้าหมดลมหายใจแล้วมันจะเป็นไปไห ม, มนก็เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ะ เี็นนี่คือมั น, นกันจนมีมรรคมีผลมีพระนิพพานถึงที่สุดก็องพึมีศีลจะก่อนจึงเดล็ศีลเลยนะสุขจริงยันติศีลเโปโตกัมบาา์บัตาศีลเลนะนิพุจริงยันติตัตมาศีลังมิโสตเยพระพุตเจ้าสันตงชวนในีพุทธบริษัททางหลายจัมมตานถึงศีลให้มีเหมือนแต่คนเราทางหลายเกิดมานั่งเกิดมาจากพ่อแม่เกิดมาจากพ่อจากแม่ ธรรมะความคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดมาก็เกิดมาจากศีลที่เราพูดกันอยู่เรื่อยๆน่ยทุกวันพระเราพูดกันแต่เรื่องศีลศีลทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะคลอดบุตรคือคุณงามความดีออกมาจากที่นั่นอืมแต่คนก็ไม่ค่อยจะไว้ใจถ้าคนไปประพฤติปฏิบัติเห็นเองรู้เองเห็นเองแล้วนั้นแหละให้เข้าในใจอันนั้นน่เป็นบุญอันเด้อ่ะเป็นบุญอันประเสริฐแส น, นจะมาจะดีใจนี่เตือนอะไรลูกศิษย อุบาสกวจิกาท่าพอใจในธรรมะอย่างนั้นอืมเห็นว่าเกิดมานเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่เสียทีอะไรทำมันดูกันหมดถึงนั้น่ะเดี๋ยวเี้มันดูกันจะม่มันไม่ทำกันจะทํำยังไง อ, อันนี้ให้ประกันเข้าใจในในในปีนี้ปีนี้ก็จะมีครั้งเดียวเท่านี้น่ะอืมปีต่อไปนั้นพอให้มารวมกันเทนี้ สงหน้ามกันที่นี่อย่างเก่าแต่แน่ๆนะคนมานี่ในกลุ่มใหญ่ฝีหน้าจะมีกฎตรงการเล่นเล่นกดตรงการกันเขาอีกไปยังไม่แน่นอนนะือไม่มีหวังทั้งหมดละพูดง่ายๆนะบางคนก็อาจจะไม่ได้ลดหน้ากับเขาก็มีนะเพราะอะไรมันล่วงไปล่วงไปทุกวันนี้เขาตามข่าอยู่เห็นไหมล่ะอืตามข่าอยู่ะ มี ม, มีมีโยงก็เคยมาถามแล้วว่าน้องพ่อไม่กลัวคอมมอนนิสต์หนอไอ้คอมมอนนิสต์กัวมันทําไมเือไอ้ไอ้ไอ้คอมมอนนิสต์มันตามฆ่าตั้งแต่เมื่อวันเราเกิดมาเลยคอมมอนนิสต์นะ น, นี่มันมีตัวแล้วมันมีตัวอในตัวของเรานี่มันเยอะแยะไปละนะแล้วไงเดี๋ยอย่าไปคิดไอ้มันห่างไกลอย่างนั้นดีไอ้ะนั้นขอพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัทนั้นให้ตีตัวออกพยายาม พยายามสร้างคุณงามความดีถ้ายังไม่มีก็ทําให้มันมีถ้ามีน้อยทําให้มันมากถ้ามีมากทำมันมากเ ก, น ก, นกินไปจนกว่ามันจะผนจากวันตาสงสารนั่นเองที่นั้นบรรด า, าสาธุชนทั้งหลายวันนี้ด้วยอํานาจของคนภาษีรัชนาฏยจงปกปักรักษาคุ้มครองของพวกท่านทั้งหลายโดอการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมนี้จงมีความอยู่เย็นเป็นสุขให้มีอายุมั่นขรนยืน ประพฤติถ้าทำในในต่อไปหลับทุกข์ซึ่งที่มันเกิดมาในใจนั้นให้บรรเทาทุกข์ให้ถึงสุขถึงความสงบทุกทุ ก, ทกคนอย่ามีความประมาทแต่นั้นวันนี้ก็วันนีลาก็พอสมควรอืมฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจงพะกันสั้งอกสร้างใจทุกทุกคนพากันประพฤติธปฏิบัติเช่นว่า จิกับวัดอันใดที่ในวัดน้องพงเราทำมาแล้วก็ให้ระการตังหกตั้งใจทำต่อๆไปให้เป็นเยี่ยงอย่างของคุณระุถกหลานที่ดีทุกๆคนจึงจะเป็นมงคลฉะนั้นวันนี้จึงเลยขอเลิกการบรรยายทำให้โอวาตกับพุทธบริษัทต่ทางายในวันนี้ฉะนั้นขอความปรารถนาของท่านทุกๆคน จงในดังความมุ่งมว่ปราชนาทุกทุกประการเถิด